น่าจะเป็นโอกาสที่ได้เอามาเป็นเครื่องทดสอบจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะท่านที่เพิ่งบวดใหม่มาได้สองสามอาทิตย์นะอยู่ในป่าดูในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีสิ่งรบ ก, กวนจิตใจมากผัสสะที่มากระทบก็น้อย พอได้ออกไปเข้าไปในเมืองเราได้สังเกตจิตใจของเราบ้างหรือเปล่าว่ามันเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็น่าจะให้คะแนนตัวเองว่าสอบได้หรือสอบตกนะพอมีสิ่งต่างๆมากระทบนะ ทั้งสิ่งที่น่าพึงพอใจใชเช่นเข้าของสินค้าต่างๆที่เราเคยชอบที่เราเคยเสพเป็นประจำอาจจะรวมถึงหนังสือพิมพ์หรือสื่อต่างๆซึ่งก็ได้เสพนะ เป็นประจำในช่วงที่เป็นคารวะาแต่พอมาอยู่วัดก็าห่างกลาจากสิ่งเหล่านี้แล้วพอได้มาเจออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างเขินไปนานใจเราเป็นอย่างไรนะมันกรเพื่อมขึ้นไหมหรือว่าโดดเข้าหาโดดเข้าใส่นะ มันไม่ใช่แค่มีสิ่งที่น่าพอใจที่มาดึงดูดสายตาแล้วก็ดึงดูดจิตใจของเราเท่านั้นสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีเหมือนกันนะเช่นความอึกระทึกเสียงดังนะอาจจะรวมถึงผู้คนมากมายแดดควันนะ เรารู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าจิตใจฟุ้งซ่านแสสายมีความขุนเคืองใจหรือเปล่าอันทั้งหมดนี้มันก็เป็นสิ่งทดสอบจิตใจของเรารวมทั้งทดสอบการปฏิบัติของเราด้วยว่าเราปฏิบัติเป็นอย่างไรบางคนคิดว่าเออ ได้พบกับความสงบแล้วการปฏิบัติของเราเริ่มจะเข้าที่เข้าทางแล้วแต่พอเข้าไปในเมืองนะเจอแสงสีเจอสิ่งทั้งทั้งยัวยวนแล้วก็ยัวยนะุกนะก็เกิดความรู้สึกระส่ำระสายขึ้นมาอันนี้ก็ไม่เป็นไรนะก็ถือว่า เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าเราต้องฝึกปฏิบัตินะกันอีกอย่าไปรู้สึกลำคาญหรือว่ารู้สึกแย่กับสิ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าสอบได้สอบตกมันก็มีประโยชน์ทั้งนั้นนะทำให้เรารู้ว่าการปฏิบัติ นะที่ถูกควรจะเป็นอย่างไรเรายัางวางใจไม่ได้นะถ้าเกิดว่าเรารู้สึกสงบเวลาอยู่ที่วัดป่าสุกโตเพราะว่าบอกไม่ได้ว่าเป็นความสงบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมเกิดจากวิถีชีวิตที่ไม่มีภาระผูกพันมากไม่มีสิ่งเร้ามากหรือว่าเกิดจากการที่เรา ปฏิบัติจนมีสติรู้แล้วก็วางอารมณ์ต่างๆได้ความสงบที่เกิดขึ้นหลายวันที่ผ่านมาอาจจะเกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ได้คือพอได้มาอยู่ในป่าอยู่ในวัดงานการก็ไม่ค่อยได้ทำหรือไม่ต้องรับผิดชอบมาก ภาษาที่จะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่มากเหมือนกับตอนที่ยังเป็นคลือหัดอันนี้มันก็ทำให้ใจเราสงบได้แต่ความสงบอย่างนี้ยังเป็นที่พึ่งพาอาศัยไม่ได้เพราะว่ามันต้องอิงอาศัยสิ่งแวดล้อมเยอะพอเปลี่ยนสิ่งแวดล้อม เจอผู้คนมากมายเจองานการหรือว่าวิธีชีวิตเปลี่ยนไปจากวิธีชีวิตที่ไม่ค่อยมีอะไรนะเป็นภาระผูกพันนะพอต้องไปมีวิธีชีวิตยอย่างเดิมต้องทำงานต้องพบปะผู้คนแล้วก็มีสิ่งยั่วยุยั่วยวนหลายอย่าง ในความสงบที่เคยมีมันก็ค่อยๆละลายหายไปอันนั้นก็แสดงว่าเรายังไม่มีภูมิคุ้ ม, มกันเพียงพ อ, อภูมิคุ้มกันมันต้องมีนะต้องสร้างขึ้นมาในจิตใจของเราอย่าไปหวังพึ่งพาความสงบจากภายนอกมันหวังไม่ได้ขนาดอยู่ที่นี่ ไกลจากความเจริญก็ยังมีเสียงดังมาเป็นครั้งคราวบางทีก็มีเสียงรถนะส่งโฆษณาเลือกตั้งหรือว่าขายสินค้าบางทีก็มีรถมอเตอร์ไซค์บางทีก็มีรถก่อสร้างสารพัดถ้าหวังเอาความสงบจากที่นี่ ตอนนี้ก็จะผิดหวังเพราะว่ามันก็จะมีสิ่งรบกวนมาเป็นระยะระยะให้เราต้องดูว่าที่เราได้ละความสงบมันเกิดจากอะไรแน่ถ้าเข้าไปในเมืองวุ่นวายก็แสดงว่าเป็นความสงบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมแตถ้าเราหวังความสงบแบบนี้พอเราสึกไป ก็จะกลับสู่สภาพเดิมพอกลับสู่สภาพเดิมก็ความขี้โกรธความขี้งุดหงิดความฟุ้งซ่านมันก็จะกลับมาถ้าเกิดว่ายังไม่เกิดขึ้นกับเราตอนนี้มันก็จะเกิดขึ้นหรือกลับคืนมาเมื่อเราได้กลับไปสู่สภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตเดิม าการปฏิบัตนะิถ้าเราจะหวังพึ่งความสงบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกเพื่อจะทำให้ใจสงบเนี่ยอันนี้มันยังไม่พอถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยก็จะทำให้เราหนีหนีปัญหาอยู่เรื่อยไปมีนักปฏิบัติจำนวนมากที่กลายเป็นคนหนีปัญหาเป็นคนที่ไม่อยากรับผิดชอบการงาน เพราะว่าไม่อยากให้ใจสงบใจวุ่นวายมีคนจำนวนมากจะรู้สึกแบบนี้ว่าถ้าฉันทำงานฉันก็จะไม่สงบเพราะฉะนั้นฉันก็จะไม่อยากจะทางานไม่อยากจะรับผิดชอบอะไรถ้าอยู่บ้านก็หนีมาที่วัดนะหรือว่าถ้าอยู่วัดก็หนีไปเก็บอารมณ์อันนั้นมันก็ก็ดีอยู่ถ้าเป็น การถอยมาตั้งหลักนะแต่ถ้าหากว่าพอใจเพียงเท่านั้นนะมันก็ถือว่าไม่เกิดความก้าวหน้าเท่าไหร่ชนะาวพุทธเราต้องเป็นคนที่เข้มแข็งกล้าสู้กับปัญหาอริยสัจข้อแรกคือทุกข์นะ ทุกนี้เป็นสิ่งที่ต้องรู้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องละหรือหนีน่นเดี๋ยวนี้คนจํานวนมากปฏิบัติธรรมแล้วกไ็ไปเปมากลายเป็นคนหนีทุกข์นะไม่ยอมเผชิญทุกข์ต้องกล้าเผชิญทุกข์เพราะว่าวิธีนี้เท่านั้นที่เราจะรู้จักทุกข์มีทุกข์ นะถึงจะมีหนทางแห่งความไม่ทุกข์อย่างที่หลวงพ่อเน้นอยู่เสมอว่าในทุกเนี่ยมันมีความไม่ทุกข์อยู่อันนี้พระเจ้าก็ตรัสเองเลยว่าถ้าหากรู้ทุกข์ดีรู้ทุกข์อย่างแจ่มแจ้งก็จะรู้สมุทยัยนิโรธมักมันมากันเป็นพร่วนเลยนะในทุกนี่แหละถ้าเรารู้อย่างประจามมันก็จะ เปิดเผยให้เห็นสมุดไทยนี้โลดแล้วก็มักหลวงพ่อคำเขียนถึงพูดอยู่เสมอว่าในทุกมันมีความไม่ทุกนะมันก็เหมือนกับสวิตไฟนะสวิตไฟที่ใช้ดับไฟก็เป็นอันเดียวกับสวิต ท, ที่ใช้เปิดไฟ จะใช้เปิดก็ได้ใช้ปิดก็ได้เราจะเปิดโทรศัพท์มือถือเราจะเปิดโทรทัศน์ก็ต้องกดสวิตช์เดียวกันกับสวิตช์ที่ใช้ปิดนะกุญแจรูกุญแ จ, จที่ใช้ล็อกประตูก็เป็นรูกุญแจเดียวกับที่ใช้เปิดประตูเพนะราะฉะนั้นเนี่ยตัวทุกเนี่ยมันก็ สามารถจะเป็นเครื่องเครื่องมือสู่ความไม่ทุกได้การที่เจอทุกนะทำให้เกิดมีการที่ประเชิญทุกจนเห็นทุกอย่างแจ่มแจ้งก็ทำให้บุคคลปุถุชนบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้นต้องพูดว่าถ้าไม่เจอทุก ก็ไม่มีทางพ้นทุกข์พระพระพุทธเจ้าจรัสเองเลยว่าเป็นเพราะมีทุกข์คือคื อ, คอมีชาติชารามารณะจึงมีพระพุทธองค์อุบัติขึ้นมาในโลกถ้าไม่มีทุกข์ในโลกนี้ถ้าไม่มีชาติชารามารณะก็จะไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนะมีทุกข์ถึงมีพระพุทธเจ้านะ มีทุกข์ถึงมีบุคคลผู้พ้นทุกข์เมื่อรู้ทุกข์ก็ถึงรู้ทางดับทุกข์หรือทางพ้นทุกข์ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักปฏิบัติโดยเฉพาะในทางพุทธศาสนาคือปฏิบัติมีหลายแนวนะถ้าปฏิบัติแบบพุทธเนี่ยมันก็ต้องกล้าเผชิญทุกขนะ์อาจารย์อาจารย์กำพล ซึ่งพิการมาได้เกือบสามสิบปีแล้วรู้สึกจะเกินล้วจากคนที่อมทุกข์มากคนที่รอคอยความตายตอนนี้ก็กลายเป็นคนที่มีความสุขในปัจจุบันขนาดยิ้มแย้มแจ่มใสนะเพราะว่าปฏิบัติอาจารย์กาพลเคยพูดว่าเนี่ย ต้องขอบคุณความทุกข์ต้องขอบคุณความพิการเพราะทำให้รู้จักทุกข์แล้วก็ทำให้รู้ทางพ้นทุกข์นะทุกข์ยังมีอ ย, นะ ย, อยู่แต่ว่าใจนี้พ้นแล้วไม่ใช่ว่าทุกข์มันหมดไปนะทุกข์ยังมีอยู่แต่ว่าใจนี้มันพ้นเหมือนกับโครนเหมือนกับดอกบัวที่อยู่เหนือโครนแล้วก็น้า โครนแล้วก็น้ำยังมีอยู่แต่ว่าดอกบัวได้ชูนะชูกิ่งชูก้านเนี่ยพ้นจากโครนตมแล้วก็น้ำซึ่งมีเต่าปลูปลานะคอยคอยกินอยู่ความทุกข์มีแต่ว่าทุกทำอะไรไม่ได้นะอันนี้ก็เพราะว่ารู้จักทุก ไม่ใช่หนีทุกข์ไม่ใช่ไม่รับรู้ผัสสะนะบางคนไปคิดวันต้องพาตัวให้หนีไกลจากผัสสะเพื่อว่าจะได้ไม่ได้ยินไม่เห็นไม่รับรู้อะไรวิธีนี้ก็ทำให้สงบได้แต่ว่าเป็นสงบชั่วคราวเป็นสงบอย่างคนไม่รู้เป็นสงบเพราะว่า จะเรียกว่าพ่อหลงก็ได้เคยมีพราหมู้หนึ่งสอนชื่อปรารัสยพราหมสอนว่าวิธีการอบรมอิทรีหรือวิธีการพัฒนาจิตพัฒนาตนเนี่ยก็คือไม่ไปเห็นไม่ไปฟังไม่ไปรับรู้อะไร สอนว่าไม่เห็นด้วยตาไม่ฟังไม่ได้ยินเสียงด้วยหูไม่ได้ดมกลิ่นด้วยจมูกนะไม่ไปรับรู้รส ด, ด้วยลิ้นผู้เจ้าก็ตำหนิว่าถ้าสอนอย่างนี้นะคนตาบอดหูหนวกเป็นใบก็ยอมบรรลุธรรมไปแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ไม่ได้สอนว่าให้หนีไม่ให้ปิดทวาร การปิดทาวารหรือการควบคุมรูปลดกินเสียงนั้นเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่การฝึกขั้นต้นแต่ว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องเปิดทาวารเพื่อรับรู้สิ่งนี้แต่รับรู้โดยมีสติเรียกว่าอินทรียสังวร อินเซียสังวรอันนี้ก็เป็นธรรมข้อหนึ่งของภิกษุนะอินทซียสังวรคืออะไรอินทซียสังวรคือการที่รักษาใจไม่ให้ฟูแฟบหรือกระเพื่อมไปตามผัสสะที่รับรู้ไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ใช่ว่าไปควบคุมสิ่งภายนอกเหมือนกับที่เราไปสอนเด็กว่าอย่าไปดูโน่นดูนี่นะอย่าไปฟังโน่นฟังนี่นะหรือใช้วิธีเซนเซอร์นะมันก็ใช้ได้สำหรับเด็กเล็กๆแต่ว่ายังไงก็เซนเซอร์ไม่พน้นไงเขยก็ต้องเห็นนะภาพที่ไม่ดีสิ่งที่ย่วยุ แต่ว่าสิ่งที่ต้องสอนเขาคือว่าทำให้เขาเนี่ยรู้วิธีที่จะรับมือกับผัสสะเหล่านี้โดยที่ใจไม่ทุกข์หรือว่าไม่หลงไม่ไปเกิดโลภะโทสะโมหะก็ต้องมีอินเสียสังวรคือมีสติและยิ่งถ้ามีปัญญาเข้ามากํากับด้วยก็ยิ่งดีเช่นดูโฆษณาดูหนังเออก็ดูเป็นอันนี้เราเกิดโยนิสมีโยนิสโสมนสิกการ ใจิตใจไม่คล้อยตามสิ่งยั่วยุให้โกรธหรือยั่วยวนให้หลงนะสมัยนี้มันมีสองสิ่งนี้เยอะมากนะยั่วยุให้โกรธจะเป็นข่าวสารจะเป็นละครที่ยั่วยุให้โกรธให้เกลียดหรือว่ายั่วยวนให้หลงให้อยากมีอยากได้มันหนีไม่พ้นนะขนาดนั่งรถมาทางทางด่วน ในกรุงเทพหรือนั่งรถมาถนนสายมิตรภาพก็จะเจอป้ายคัดเอาโฆษณาใหญ่ๆเป็นภาพผู้หญิงนุ่มน้อยหมน้อยหรือว่าภาพโฆษณาเล่าโฆษณ า, าสิ่งที่เป็นอบายามุกมันปิดปิดไม่มิดนะปิดไม่ไม่มีทางปิดได้แต่เราก็สามารถรักษาใจใเป็นเป็นกุศลได้ด้วยการที่เรามี สตินะอันนี้เรียกว่าอินเซียสังวรควบคู่กับปาติโมกขสังวรอันนี้ถือเป็นศีล น, นะปาติโมกสังวรศีลอินเซียสังวรลศีลปัจจัยสันนิสิตศีลนะ ตอนมดเรียกปาบริสุทธิทิศศีลศีลทำให้บริสุทธิ์นะก็มีอินเสียสังวรข้อหนึ่งมีการระมัดระวังปฏิโมกข์แล้วคือสิกขาบทมีเรื่องของการพิจารณาสิ่งที่สิ่งเสอพอาจจปัจจัยสันนิษิ์ตัดศีลที่เราเสพที่เราฉันตอนเช้ามันไม่ใช่แค่ฉันอย่างเดียวมีเรื่องปัจจัยศีด้วยการผมจีวร การคลองผ้าการใช้เสนาสนะการใช้ยาปัจใจสี่เนี่ยก็เรียกว่ามีการพิจารณาว่าเสพเพื่ออะไรไม่ใช่เพื่อปนเปื้กินเละไม่ใช่เพื่อความอร่อยนะแต่เพื่อรักษาอัตภาพไปอยู่ได้เพื่อการเพื่ออนุเคราะห์การประพฤติพรหมจรรย์อันนี้ ป, นปัจใจสันสนิสิตศีลแล้วก็มีอาชีวปริสุทธศีล น, นะก็คือว่าการเลี้ยงชีพโดยชอบนะอย่างพระนะ กาลีงชีพเลยชอบหรือมีอาชีวะที่บริสุทธิ์อย่างพระนี่มันไม่เหมือนคาราวาคาราวาค้าขายก็ถือว่าเป็นสา ม, มาชีพถ้าไม่ผิดกฎหมายแต่พระนี่ไปค้าขายไม่ได้แม้แต่ไปขอเขาก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ไม่ใช่ไม่ใช่ปรรนะกรนาจะไปพูดเรียบเรียบเคียงเคียงก็ไม่ได้ก็ถือว่าไม่ใช่อาชีวะบริสุทธิ์ทิศศีลเป็นมิจฉาอาชีวะ อันนี้เราเป็นศีลที่ทําให้บริสุทธิ์ปาริสุทธิ์ที่ศีลมีสีข้ออินเสียสังวรเป็นข้อหนึ่งนะที่จําเป็นนะปาริสุทธิอ์อาชีวปาริสุทธิ์ทัศน์ีนี่เป็นเรื่องของกายวาจาปฏิโมกสังวรศรีนก็เป็นเรื่องของกายวาจา นะแต่ปัจจัยสันนิเสตสีนี่เป็นเรื่องของใจที่รู้จักพิจารณาอ um, ินเสียสังวรศีก็เป็นเรื่องของใจนะที่จาเป็นในการที่จะทําให้มีจิตใจที่เป็นปกติไม่กระเพื่อไม่ฟูไม่แฟบ ไ, ไม่ขึ้นไม่ลงยินดีร้าย ก็คือทําให้เกิดความสงบนั่นเองเป็นความสงบท่ามกลางสิ่งแวดล้อมเป็นการความสงบท่ามกลางผู้คนเป็นความสงบท่ามกล า, างา ก, าการทํางานที่อาจจะเร่งรีบนะแต่ว่าก็สงบได้นะคนดูภายนอกก็จะเห็นว่าเราทำโน่นทนํานี่กระจับกระเฉงแต่ว่าใจสงบได้ไม่ใช่เป็นว่าต้องทําเนิบช้านะ บางทีอาจจะเหมือนกับรถรถไฟที่แรนเร็วนะเคยไปประเทศญี่ปุ่นรถไฟเขาเร็วมากมองจากข้างนอกนี่มันเร็วแรงแต่ข้างในรถไฟนี่สงบมากนิ่งถ้าคนที่เป็นนักปฏิบัติควรจะเป็นอย่างนั้นคือว่าพาข้างนอก น, นี่ดูว่ารดดูว่ากระฉับกระเฉง คล่องแคล่วแต่ข้างในใจนี้สงบไม่ใช่ว่าต้องทำอะไรเนิบช้าหลวงพ่อชาท่านเคยเล่า ว, ว่าตอนตอนสมัยที่เป็นพระปวดใหม่ไปอยู่กับหลวงปู่กินนรีหลวงปู่กินนรีก็บอกให้ทําอะไรช้าๆทาอย่างมีสติฉันก็ฉันอย่างช้าๆมีสติแต่พอหลวงปู่กินนรีนี่ฉันเร็วทําอะไรเร็ว อาจารย์หลว ง, งพ่อชาซึ่งยังหนุ่มอยู่ก็นึกตำหนิในใจว่าท่านสอนลูกศิษย์กับปฏิบัตินี่ไม่เหมือนกันแล้วก็เป็นึกว่าหลวงท่านไม่ได้ปฏิบัติทำคือท่านทำเร็วๆๆแต่ไม่รู้ว่าตอนหลังก็ถึงรู้ว่าที่หลวงปู่ท่านทำนี่ท่านก็ทำอย่างมีสติเหมือนกัน ท่านก็นิ่งได้แม้ดูภายนอกจะดูเคร่าครองว่องไวจนเหมือนกับว่าเมื่อคนที่รนแต่ที่จริงใจท่านนิ่งเพราะท่านปฏิบัติมาถึงที่แล้วแต่ผู้ฝึกใหม่ก็จะต้องใช้วิธีที่ช้าไปก่อนอันนี้การปฏิบัติของหลวงพ่อเทียนก็เหมือนกันเดินจงกรมสร้างจังหวะบางคนเขบอกว่า ไม่สงบเลยเคลื่อนไหวไววมือเร็วนะเดินก็เดินเร็วเดินพับพับพพพั บ, พ บ, พบมันจะสงบได้ยังไงนะเพราะคิดว่าสงบนี่ต้องช้าอันนี้มันไม่จำเป็นนะ่นาจจะเดินเร็วแต่ว่าถ้ามีสติก็สงบได้ไม่ใช่ว่าต้องค่อยๆย่างค่อยๆยืงค่อยๆ เ, เหยียบ ้คนที่สงบแบบนั้นเนี่ยพอให้ทำอะไรเร็วๆก็าจะ ก, กระเจิงเหมือนกันเพราะเป็นหนักสมถะมากนี่ก็ต้องดูนะว่าที่สงบนี่สงบเพราะอะไรในศาสพุทธกาลเนี่ยมีมีข้าบดีเป็นเศรษฐีนี่คนหนึ่งก็ภาคภูมิใจว่าตัวเองเนี่ยจิตสงบแล้ว จิตสงบแล้วก็มีนางทาสีซึ่งเป็นข้าทาสนี่ก็อยากจะทดสอบอยากจะลองดีว่าที่สงบเนี่ยสงบเพราะอะไรก็เลยแก้งนอนตื่นสายนะทำให้งานการในในบ้านนั้นเนี่ยมันก็เลยกระทบกันเป็นลูกโซ่ แต่ใส่ที่นี่นี่ก็โกรธเลยแหละทุกอย่างมันพอเห็นไม่มันไม่เป็นไปตามแผนนะโกรธด่าว่านางทาสีก็เลยบอกว่าเนี่ยนว่าสงบไงนะไหนว่าสงบเพราะเพราะว่าปฏิบัติดีแต่ที่จริงที่สงบเพราะอะไรก็เพราะว่าใครๆก็ทำตามคำสั่งไม่มีใครขัดใจก็เลยสงบได้นะ คนที่มีอำนาจถ้าสงบแบบนี้ก็เรียกว่าสงบแบบมันไม่มีมันไม่ใช่เป็นความสงบที่แท้ก็เล่นสั่งให้ใครทําอะไรเขาก็ทําตามทุกอย่างก็เลยเป็นที่พอพอใจหมดแต่คนที่สงบที่แท้เนี่ยหมายความว่าแม้จะเจอสิ่งที่ไม่เป็นไปตามที่คิดผิดคาด หรือว่ามีเรื่องกระทบใจแต่ว่าก็ไม่ทุกข์ถ้าเจอแต่คนรู้ใจหมดแล้วสงบนี่มันธรรมดาแต่ถ้าเจอคนไม่รู้ใจเจอคนที่มาที่ไม่ทำตามใจแล้วยังสงบได้อันิเสถึงเรียกว่าปฏิบัติจริงนะนต้องดูนะว่า เราสงบนี่สงบอย่างไรอย่างอย่างไหนแล้วถ้าเกิดเจอสิ่งกระตุ้นสิ่งยั่วยุแล้วไม่สงบก็จะไปโกรธนะต้องมองว่าเป็นข้อดีที่มันกระตุ้นให้เราเห็นกิเลสอย่างเศรษฐีนี่คนนี้เนี่ยถ้าไม่เจอนางทาสีมาลองดีก็คงไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยยังหลงอยู่อย่างประมาทอยู่แล้วพอเห็นความโกรธของตัวเองก็น่าจะเป็นเครื่องสอนใจ ว่าโอ้นี่เรายัางมีกิเลสอยู่นะั่นนี่เรายัางปฏิบัติไม่ถูกนะนี่ไม่ใช่ไปโกรธนางทาสีนี่เคยมีนะัมีมีโยมคนหนึ่งก็เป็นคนแก่วัดแล้วก็พูดกับวันนึงก็ไปกราบหลวงปู่บุตรดาแล้วก็พูดกับหลวงปู่บุตรดาว่า โยมปฏิบัติมานานเดี๋ยวนี้ไม่โกรธแล้วหลงปูดสวยไม่ลงทีเลยอีตอนแหล่เนี่ยฉุนขึ้นมาทันทีเลยนะฉุนขึ้นมาทันทีท่านก็เลยเชื่อนี่ไงไม่โกรธนะท่านแค่ทดสอบแค่คําเดียวนี่นะกิเลสขึ้นเลยอันนี้เป็นเรื่องดีนะ ก็คือว่าทาให้เห็นกิเลสตัวเองบางทีคนเราเนี่ยกิเลสมันซุกกิเลสมันซ่อนแล้วก็ตัวเองเขย่านี่ไม่เจอนะมันต้องมีครูบาอาจารย์มาช่วยเขยา่านะพอเขย่านี่ก็จะเห็นกิเลสมีคราวนึงหลวงปู่บุรดามกั น, กนท่านก็ไปเทศธรร ม, มาคู่ เจ้าคุณรูปหนึ่งซึ่งเป็นเป็นผู้ที่รู้ในทางปริยัตหลวงปู่บุญดาก็เป็นพระบ้านนอกนะเป็นพระหลวงตาขึ้นธรรมาทคู่์เขาก็ดูท่าทางก็มาถามหลวงปู่บุญดาจะเทศเรื่องอะไรนะคือแท้ๆว่าท่าทางหยิดเยยดนะนะเพราะว่าหลวงปู่บุญดาท่านก็ เป็นพาที่ไม่ค่อยมีฟอร์มเท่าไหร่แล้วก็ดูมันก็ไม่มีความรู้หลวงปูป่บุญดาก็ถามท่านว่าท่านเทศเรื่องอะไรพาที่เจ้าคุณ น, นั้นก็แต่ว่าจะเทศเรื่องความกโกรธท่านก็พูดขึ้นมาเลยส้นตี น, น <c oughs> โกรธเลยนะโกรธเลย เนี่ยคือจะเทศเรื่องความไม่โกรธเพศเรื่องว่าให้รู้จักความโกรธแต่ไม่เห็นตัวโกรธท่านสวนเข้าไปทันทีเห็นตัวโกรธขึ้นมาเลยโกรธใหญ่โกรธโกหลวงพ่อหลวงปู่บุดานะแต่พอเทศเสร็จหลวงปู่บุดาก็มาขอโทษนะก็บอกว่าเนี่ยอยากจะเชี่ยเห็นให้เห็นตัวโกรธนะคือบางทีเทศพูดเรื่องความโกรธแต่ไม่เห็นไม่รู้จักความโกรธ หรวงปู่ดานจริงท่ท่านก็เป็นพระที่มีอะไรแปลกๆนะจริงท่านสูภาพเรียบร้อยแต่ว่าใครที่ใครที่ประมาทใครที่อวดอวดภูมินี่ก็จะเดินจะจะเจอท่านทดสอบอยู่แต่ท่านเป็นพระที่มีเมตตามากนะอันนี้ต้องต้องเรีต้องขอบคุณนะใครที่เป็นนักปฏิบัติแล้วเจอแบบนี้ต้อง อย่าไปโกรธเอาโกรธได้นะโกรธได้เพราะมันรู้สึกเสียเซล์เสียหน้าก็ธรรมดาคนก็ต้องโกรธแต่อย่ากโกรธนานให้กลับมาตั้งหลักว่าโอนี่กำลังครูบาอาจารย์กำลังชี้ขุมทรัพย์ว่าเรายังมีกิเลสอยู่ยังประมาทไม่ได้ต้องทําความเพียรเพราะฉะนั้นเนี่ยนะให้เราถือว่าที่เราไปแกลงครอ ได้เจออะไรต่างๆมากมายเนี่ยอย่าให้เป็นการไปแบบเปล่าประโยชน์เพียงแค่ไปทำวัดนะท่านเจ้าคณะจังหวัดแต่ถือว่าเป็นบททดสอบตัวเราเองด้วยแล้วก็ลองให้คะแนนตัวเองดูว่าสอบผ่านหรือเปล่าหรือสอบตกเอาเราก็พูดกันเท่านี้คำนี้กราบพาพร้อมกัน